วิทยุราชมงคลธัญบุรี a i r เอ็ 8.5 เมกะเฮิรตซ์เทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตต่อจากนี้ไปขอเชิญท่านผู้ฟังติดตามรับฟังรายการ RMUT Society ผู้ดำเนินรายการดกรกุลกนิษฐ์ทองเงาสร้างสรรค์และผลิตรายการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี ค่ะคุณผู้ฟังคะขอต้อนรับเข้าสู่ RMUT Society ค่ะพบกับพี่ัชนกุลกนิษฐ์ทองเงาค่ะที่ FM 8ป5สิบ้าด้า MHz ส่งกระจายเสียงจากสถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบรุรีคลื่นเทคโนโลยีเพื่อคุณภาพชีวิตนะคะ RMT Society ทุกข้ามม า, าิตย์ก็มาพร้อมกับเรื่องราวความเคลื่อนไหวในรั้วสถาบันการศึกษาโดยเฉพาะในรั้วราชมงคลทั้งเก้าแห่งและก็ในสถาบันการศึกษาอือ่นๆ อ, อีกด้วยวันนี้ไปที่มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิค่ะ ที่นั่นมีการพัฒนาคิดค้นนวัตกรรมแป้งแป้งกล้วยหอมขึ้นมานะคะซึ่งเป็นการพัฒนานวัตกรรมชิ้นนี้เป็นของอาจารย์วชิระยาเหลียวตระกูลซึ่งท่านมีตําแหน่งเป็นอาจารย์สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิค่ะเราจะได้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับจุดเริ่มต้นของการทําแป้งกล้วยเพื่อที่จะนํามาใช้ทดแทนแป้งอื่นๆ ที่เป็นส่วนผสมของขนมเคก้กคุกกี้เบเกอรี่รวมทั้งขนมไทยนะคะซึ่งขั้นตอนวัตถุประสงค์ของงานวิจัยแล้วก็ คุณสมบัติคุณประโยชน์คุณค่าทางอาหารจะเป็นอย่างไรเราจะได้พูดคุยกันกับอาจารย์วชิรยาเหลียวกระูลค่ะซึ่งท่านมีตำแหน่งเป็นอาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ลเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมมหาวิทยาลัยเทคโนโลีราชมงคลสุวรรณภูมิรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับแป้งกล้วยหอมกระบวนการกรรมวิธีในการผลิต ในการประดิษฐ์คิดค้นรวมถึงคุณประโยชน์ที่จะได้รับเราจะได้พูดคุยรายละเอียดกันซึ่งอ า, อาจารย์วัชริยาเหลียวตะกูลตอนนี้ก็อยู่ในสายแล้วสวัสดีค่ะอาจารย์คะค่ะสวัสดีค่ะค่ะอาจารย์ค่ะก่อนอื่นคงต้องขออนุญาตเตือนถามอาจารย์ก่อนนะคะว่ า, าสาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหารของคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอุตสาหกรรมของมอชรรศนภูมินี้จัดการเรียนการสอนอย่างไรส่วนใหญ่จะเคยได้ยินกันแต่คณะเทคโนโลยีการเกษตร ่แต่ที่มรทรสจรพมีและอุตสาหกรรมด้วยอะค่ะค่ะก็คือเราจะมีทั้งหมดห้าสาขาค่ะ อ, อยู่ในคณะของเราอะนะคะซึ่งมีวิทยาศาสตร์เ อ, อและเทคโนโลยีการอาหารนะคะแล้วก็มีพฤกษศาสตร์สัตวศาสตร์แล้วก็คณะอุตสาหากรรม อ, อสาขาอุตสาหากรรมเกษตรเครื่องจักรกลค่ะออืแล้วก็ค่ะแล้วก็มีประมงด้วยค่ะ ก็ดูแล้วจะเป็นเกี่ยวกับาการเกษตรใช่ไหมคะใช่ค <ใน S 2> <อ>่<ม>ะเน็นเกษตรทั้งหมดแล้วก็มีเาการทําเครื่องด้วยประดิษตเครื่องด้วยค่ะอก็เลยแลกอุตสาหกรรมเข้ามาเพิ่มเติมฉะนั้นคนที่เรียนสาขานี้คณะนี้ก็จะต้องมีความรู้ในเบื้องต้นเกี่ยวกับทางด้านการเกษตรแล้วก็ทางด้านอุตสาหกรรมเครื่องกลซึ่งเป็นเกี่ยวกับทาง อ, าอุตสาหกรรมเครื่องกลที่ที่เกี่ยวกับทางน้าการเกษตรถูกต้องไหมคะอาจารย์ ใช่ค่ะก็จะมีทางการเกษตรแล้วก็เกี่ยวข้องกับเอทางด้านอุตสาหกรรมทางด้านอุตสาหกรรมอาหารนะคะอ๋อค่ะค่ะก็ะจะเน้นเป็นเป็นอย่างอาจารย์นี่อยู่ประจำสาขายาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหา ร, ส, ร <c oughs> สําหรับรายละเอียดที่เราจะพูดคุยกันในวันนี้อนะคะก็เกี่ยวกับแป้งกล้วยหอมค่ะอาจารย์ <concur 0 S 2> <อ>จุดเริ่มต้น<อ>มาอย่างไรคะจุดเริ่มต้นก็คือว่าเอทาง ชุมชนนะคะที่จะที่ที่เราไปลงสำรวจพื้นที่มาค่ะที่จังหวัดพระนครศรียุธยานะคะที่บ้านแขมีกล้วยเยอะทำเกษตรเรื่องเรื่องปลูกกล้วยเยอะค่ะแล้วทีนี้ไม่รู้ว่าจะเอาไปทำอะไรต่อเพราะว่าราคามันตกต่ำมากค่ ะ, คะก็เลยเอามาแปรรูปทำมันเป็นแป้งกล้วยแล้วก็เอาไปทำเป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่แล้วก็ขนมไทยต่างๆอย่างเนี้ค่ะค่ะปกติเนี่ยแป้งที่เราใช้ประกอบ ขนมเค้กคุคคกกี้หรือว่าเบเกอรี่ต่างๆขนมไทยเนี่ยส่วนใหญ่เป็นแป้งอะไรคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นเแป้งสาลีแล้วก็แป้งข้าวเจ้าแป้งข้าวเหนียวอย่างเงี้ยค่ะอค่ะแล้วทีนี้เอในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่นะคะส่วนใหญ่ก็จะใช้แป้งสาลีซึ่งแป้งสาลีเนี่ยมันจะมีกลูเตนนะคะที่มันเป็นโปรตีนอีกชนิดนึงอะคะ่ะซึ่งคนส่วนใหญ่เนี่ยจะแพ้ตัวนี้นะคะ่ะเราก็เลยคิดว่าถ้าเราเอาแป้งกล้วยเข้ามาทดแทน แป้งสาลีในผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ก็จะทําให้คนที่มีอาการแพ้กูเตนเอาสามารถรับประทานผลิตภัณฑ์ที่เป็นเบเกอรี่ได้มากขึ้นอย่างเนี้่ค่ะกูเตนที่ว่ามันที่ว่ามัมนมเป็นยังไงคะที่ว่าแพ้กูเตนเนี่ยค่ะเอมันเป็นมันเป็นโปรตีนชนิดหนึ่งค่ะที่มันอยู่ในในในตัวตัวตัวแป้งสาลีอ่ะค่ะอื ซึ่งซึ่งแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งข้าวเหนียวเนี่ยคะ่ะหรือว่าแป้งกล้วยเนี่ยจะไม่มีอืมจะมีเฉพา ะ, ะในในข้าวสาลีเท่านั้นนะคะในแป้งสาลีเท่านั้นค่ะอืมค่ะ <c oughs> แล้วส่วนใหญ่คือไม่ค่อยได้ยินเท่าไหร่นะคะว่าแป้งกล้วยหอมสามารถนํามาทํานํามาทําเกี่ยวกับเป็นเป็นแป้งผสมขนมเค้กขนมคุกกี้อ่าก็เคยทานเค้กกล้วยหอมอะไรแบบนี้อะคะ่ะแต่แป้งไม่ไม่ค่อยได้ยินสักเท่าไหร่อาจารย์มีเรียกว่ามี ที่มาหรือว่ามีแรงบันดาลใจอะไรคะที่ว่าโอเคแหละไปสารวจแล้วเออแปะกล้วยใช่ไหมคะมันล้นตลาดราคาถูกแล้วอะไรที่ทำให้อาจารย์คิดว่ามันน่าจะมาทำเป็นแป้งกล้วยหอมแล้วกออ็มาเป็นส่วนผสมของขนมต่างๆนะคะก็คือว่าเราเคยกินเค้กกล้วยหอมใช่ไหมคะมันก็จะมีะกลิ่นที่มันหอมแล้วมันก็ออดูน่าจะเข้ากับผลิตภัณฑ์ที่มันเป็นเบเกอรี่ของเราได้แล้วก็ขนมไทยของเราได้ะคะ่ะก็เลยหยิบ เอามาลองทดลองใช้กับเอเป็นเ ค, ค้กกล้วยหอมก่อนอันดับแรกเพราะว่าเ ค, ค้กกล้วยหอมเนี่ยส่วนตั้งแต่แรกเลยสูตรดั้งเดิมก็คือว่าต้องใช้แป้งสาลีเป็นหลักนะค ะ, คะทีนี้เราก็เลยเอาไอ้ตัวแป้งกล้วยเนี่ยค่ะมาทดแทนแป้งสาลีค่ะแล้วก็ลองผลิตเป็นเ ค, ค้กกล้วยหอมดูก่อนอั น, อ, นอันแรกเลยนะคะซึ่งกลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยมันก็ทดแทนกันได้ก็เลยลองเอาไปทําผลิตภัณฑ์อื่ น, นๆเช่นคุกกี้ ขนมปังพายอะไรเงี้ยค่ะต่อก็พอเราได้ทดลองแล้วเนี่ยก็เห็นว่าทาได้เราก็เลยต่อยอดไปทําเป็นขนมไทยอีกอะค่ะอืมค่ะแล้วกระบวนการจุดเริ่มต้นนะคะว่ากล้วยที่เลือกอะค่ะจะต้องเป็นกล้วยพันอะไรหรือว่าใช้ได้หมดทุกพันเลยจริงๆใช้ได้หมดทุกสายพันนะนะคะไม่ว่าจะเป็นแป้งเอ่อกล้วยน้าว้า กล้วยไข่กล้วยหอมแต่ว่ากล้วยหอมเนี่ยเออมันมีเขาเรียกว่าอะไรลักษณะกลิ่นเฉพาะเนะาะก็คือมีความหอ ม, หอมของของของ<ข><ข>ตัวของมันเองอยู่แล้วค่ะก็เลยคิดว่าถ้าแป้งกล้วยหอมเนี่ยเราเอามาทําเป็นแป้งแล้วก็ไผสมในพวกผลิตภัณฑ์เบเกอรี่หรือว่าขนมไทยต่างๆเนี่ยมันก็จะช่วยให้ให้กลิ่นเนี่ยมันดีขึ้นนะคะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการเพิ่มมูลค่าให้กับไอ้ตัวกล้วยหอมด้วยอะค่ะแต่ว่าเราก็มีการทดลองทําแป้งจากกล้วยชนิดต่างๆนะคะ ด้วยนะคะเป็นแป้งกล้วยไข่แป้งกล้วยน้ำวา้าแล้วก็แป้งกล้วยหอมแล้วเราก็มาทดลองว่าความนืดยความคงตัวกลิ่นสีรสอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาลองไปทำเป็นผลิตภัณฑ์โดยใช้แป้งทั้งสามชนิดเนี้ยค่ะก็สรุปแล้วก็คือว่ามันสามารถที่จะทดแทนได้ทั้งได้ทั้งสามสามสายพันธุ์เลย <c oughs> สามสายพันธุ์นั้นก็คือกล้วยหอมใช่ไหมคะจางใช่ค่ะกล้วยกล้วยไข่ใช่ไหมคะกล้วยไข่แล้วก็กล้วยน้ำววหว า, าค่ ะ, คะกล้วยน้ำหวากล้วยน้ำหวานนี่เยอะมากชั่วชุกสินค้ า, าของประเทศไทยนี่มีเยอะมากจริงๆจางเยอะมากเลยค่ะและ้วทีนี้คือส่วนใหญ่ก็ปกติเนี่ยที่เราลงไปสำรวจอนะคะเกษตรกรเวลาทําเนี่ยเขาก็ไม่รู้จะทําอะไรเขาก็จะเอาไปทําเป็นอาหารสัตว์อืดซึ่งราคามันถูกมากถูก ค่ะแต่พอเรามาทำเป็นแป้งใช่ไหมคะเราขายในกิโลก ร, รัมละประมาณสองร้อยถึงสองอยห้าสิบาทอืมโอ้เพิ่มมูลค่าเลย<ค><ะ>ขายอย่างนึงเกษตรกรก็ปลูกไว้น้ำว้าอยู่แล้วแล้วทุกวันนี้ก็ขายอ่ที่ที่เคยซื้อทานก็หีละ5าบาทสิบาทไม่ค่อยแพงมากนะคะกล้วยน้ำว้านเนี่ยก<ค><ะ><ค><ะ>็จะอยู่ประมาณเนี้ยค่ะยิ่งราคาตกต่ำเหลืออยู่สองบาทบ า, บางบ้านนี่คือแจกีเลยค่ะใช<ค><ะ>่ใช่ บางทีกับเป็นอาหารสัตว์เองที่อาจารย์บอกบางทีก็แจกกันหรือบางทีก็เอาทิ้งๆไว้ตามตามท้อ ง, <า>งส่วนอะไนแบะนี้คเคยเห็นเหมือนกันแต่กล้วยหอมนี่ราคาราคาเขายังดีอยู่เนาะอาจารย์ราคาก็ยังดีอยู่แต่ว่ามันจะมีเอ่อกล้วยหอมที่มันตกเกรดอ่ะค่ะบางทีเขาเขาทํำส่งใช่ไหมคะจะมีส่วนที่เราจะต้องตัดทิ้งนะคะมันจะอยู่ปลายหวีทั้งสองข้างอ่ะค่ะก็คือต้องตัดทิ้ง แลท่ทีนี้คือพอตัดทิ้งแล้วเนี่ยมันเหลือเยอะมากสรุปแล้วไอ้ส่วนดีที่ว่าขายได้ราคามันก็โอเคอยู่แต่ว่าไอ้ส่วนที่เราตัดทิ้งเนี่ยคือเกษตรกรไม่รู้ว่าจะเอาไปทําอะไรต่ออค่ะเราก็เลยมาดูไอ้ตรงจุดนี้ว่าเออถ้าเอ่อเบื้องต้นเรามาทําเป็นแป้งไว้ก่อนเพราะว่ามันสามารถเก็บไว้ได้ประมาณหกเดือนถึงหนึ่งปีแล้วก็มันน่าจะมันน่าจะช่วยช่วยเกษตรก ร, กรได้ได้มากขึ้นในเรื่องของของราคาหรือว่าไอ้ตัวส่วนที่เหลือทิ้งอะค่ะ ค่ะก็ถือว่าดีกว่าทิ้งไประเป๋าวิปลี่นะคะอาจารย์เอามาทำเป็นวัตถุดิบในการใช้เป็นส่วนผสมของขนมแล้วก็เพิ่มมูลค่าทำให้เกษตรกรยินได้แหละถ้าผลงานนี้สามารถเผยแพร่ออกไปค่ะแล้วก็นอกจากนี้ก็คือเราได้เอาไปลองทำฟิล์มด้วยค่ะเป็นอิีดิโก้ฟิล์มอินกฟิมก็คือเป็นฟิลมที่กินได้ค่ะคล้ายๆถุงพลาสติกเลยอ๋อ เวลาเคลือบเคลือบขนมเคลือบอะไรก็าทานไปได้เลยใช่ไหมคะจางใช่ค่ะใช่ค่ะแต่ว่าที่ทำนี่ก็คือว่าเราจะขึ้นลูกขึ้นรูปเป็นถุงก่อนนะคะแล้วก็เอามาใส่พวกเครื่องปรุงหรือว่าใส่<อ>เป็นพวกบะหมี่พวกอะไรพวกนี้ค่ะหรือเป็นข้าวพวกโจ๊กข้าวกลีบสำเร็จรูปอะไรอย่างเงี้ยค่ะพอตอนเราหุงหรือว่าเราไปต้มใช่ไหมคะเราก็ใส่ได้ไปทั้งซองเลยโดยที่ไม่ต้องทิ้งใ้ตัวถุงพลาสติกอะคะ่ะ อืมโอเคเคยเคยทานที่ที่เขาเคลือบเคลือบอ่าพวกซอสใส่พวกไส้กรอกอะค่ะจายค่ะอันนั้นก็จะเป็นเป็นเป็นอีกรฟินตัวหนึ่งเหมือนกันอืมอมค่ะแต่ว่าไอ้เรื่องที่ว่าเอามาทําเป็นทดแทนไอ้ตัวถุงพลาสติกเนี่ยค่ะยังไม่มีการใช้อย่างแพร่หลายมากเท่าไหร่แต่ว่าเมืองนอกตอนนี้ก็มีการรณรงค์ใช้กันเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเอาไปใส่น้ําดื่มหรือเอาไปใส่ผงปรุงรสต่างๆอย่างเงี้ยค่ะ อืโอหก็คือลดการใช้ถุงพลาสติกไปได้เยอะเลยใช่<ป>ค่ะถ้าเกิดว่ามันมันมันเผยแพร่ออกไปแต่ตอนนี้ก็ยังคงอยู่ในขั้นตอนของการทดลองใช่ไหมคะก็เราก็ทดลองเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็มีการเผยแพร่ในตามวารสารต่างๆนะคะแล้วก็ไปพวกเอ่อเป็นภาคนำเสนอทางโปสเตอร์อะไรอย่างเงี้ยคะ่ะในงานคอนเฟน็ตต่างๆเนี่ย ค, ค่ะค่ะ อ, อาจารย์คะทีนี้โอเคแหละอันนี้ จริงๆถ้าถ้าคุยกันไปคุยกันมานี่อาจารย์มีงานสองชิ้นเลยเนาะจริงๆเป็นเป็นโปรดักต์สองชิ้นนี้ก็คือแป้งกับกล้วยหอมใช่ไหมคะเอามาทำขนมแล้วก็ <c oughs> ทำเป็นฟิล์มในการเคลือบอาหารใช่ค่ะและทดแทนทดแทนการใช้ถุงพลาสติกทีนี้ขออนุญาตย้อนถามในส่วนของกรรมวิธีในการผลิต แป่งกล้วยหอมก่อนนะคะว่าเอาขั้นตอนหรือกระบวนการอาจารย์มีกระบวนการอย่างไรบ้างเอาที่แบบอาจารย์สามารถอธิบายได้อ่นะคะค่ะจริงๆการทําไอแป้งกล้วยเนี่ยนะคะมันไม่ได้ยุ่งยากเพราะว่าที่เราทําเนี่ยคือเราตั้งใจที่จะไปเผยแพร่ให้กับเกษตรก ร, กรอยู่แล้วนะคะที่ต้องการที่จะเพิ่มมูลค่าแล้วก็เ อ, อไม่ให้มันเกิดความสูญเสียของไอตัวกล้วยเยอะอะนะคะ ก็คือขั้นแรกนะคะเราก็เอากล้วยแต่ว่าต้องเป็นกล้วยดิบนะคะที่เป็นสีเขียวอะค่ะก็เอามาอมปอกเปลือกเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ไปแช่น้ําเกลือนะคะประมาณสองปรเซ็นประมาณห้านาทีหลังจากนั้นเราก็เอามาสไลด์ให้เป็นแผ่นบางๆแล้วก็เอามาเรียงเอาไปตากแดดพอเราทิ้งตากแดดหรือว่าอบก็ได้นะคะถ้ามีตู้อบแต่ว่าต้องเป็นตู้อบลมร้อนเท่านั้นนะคะใช้อุณหภูมิประมาณเอ่อ คือผ่าถึงเจ็ดสิบองศาค่ะแล้วหลังจากนั้นก็พอมันแห้งสนิทเราก็เอามาปั่นปั่นให้ละเอียดแล้วก็ร่อนแล้วเราก็เก็บในถุงสุญญากาศทีนี้เราก็จะเก็บได้ประมาณหกเดือนถึงหนึ่ปีค่ะสามารถเก็บได้นานนานเท่าไหร่คะอาจารย์ประมาณประมาณหกเดือนถึงหนึ่งปีค่ะแล้วแต่ว่าสภาพที่เราเก็บนะคะถ้านในที่อุณหภูมิมัน เย็นหน่อยแล้วก็ไม่ชื้นเนี่ยก็จะเก็บได้นานถึงประมาณหนึ่งปีค่ะค่ ะ, คะฟังดูแล้วขั้นตอนไม่ได้ยุ่งยากเพียงแค่ว่าอ่ามันมีกระบวนการหนึ่งที่ต้องไปผ่านตู้อบรมร้อนใช่ค่ะจะต้องใช้กันการลงทุนแต่ถ้าเราเรามีเออเขาเรียกอะไรมีตู้อบพลังงานแสงอาทิตย์หรือว่าเราจะตากแดดก็ได้นะคะถ้าเกิดเรามไม่มีตู้อบอ่ะค่ะก็คุณสมบัติก็ ก็ใกล้เคียงกันใช่ไหมคะอาจารย์ก็ใกล้เคียงกันค่ะไม่ไม่ไ ม, ไ ม, ไม่ไม่แตกต่างแต่ว่าอาจจะมีสีที่มันเปลี่ยนแปลงไปนิดหน่อยอแต่ว่าใช้ได้เหมือนกันค่ะออืค่ะแล้วในส่วนของแป้งกล้วยหอมเนี่ยค่ะโอเคแหละอาจารย์ได้พัฒนาแล้วก็ลองไปทําเป็นเค้คกกล้วยหอมก่อนที่อาจารย์บอกแล้วก็เป็นพายอย่างเงี้ยค่ะใช่ไหมคะค่ะแล้วออ่รสชาติกลิ่นเป็นยังไงบ้างคะหลังจากที่ได้ทดลองชิมทดลองทํา มันจะมีกลิ่นของกล้วยหอมอะค่ะซึ่งซึ่งมันจะหอมมาก um, หอมหอมกว่าไอ้ตัวที่ว่าสมมติเราทํำเค้กกล้วยหอมใช่ไหมค ะ, คะเราก็ใส่แต่กล้วยหอมสุกที่ yes? <Ê S 2> ทบดละเอียดนะคะลงไปแล้วก็เป็นแป้งสาลีใช่ไหมคะแต่พอเราใส่แป้งกล้วยหอมลงไปด้วยแล้วก็ใส่ไอ้ตัวเนือ้อเนื้อเนื้อกล้วยกล้วยหอมสุกลงไปด้วยเนี่อกลิ่นมันจะหอมหอมหอมละมุนกว่าตัวที่เราไม่ได้ใส่ไม่ได้ใส่แป้งกล้วยอะคะ่ะจริงๆเราไม่ต้องใส่ไอ้ตัวไอ้ตัว อไอ่ะไอ้ตัวกล้วยกล้วยสุกบดเลยก็ได้นะคะใช้ถ้าเป็นแป้งอย่างเดียวก็พอมีกินอืค่ะแต่แต่ว่าถ้าเป็นเค้กกล้วยหอมมันก็ต้องใส่ใส่กล้วยเนาะมันจะได้รสชาติด้วยใช่ใช่ค่ะอันในกรณีถ้่ว่าเราจะเก็บให้ผลิตภัณฑ์ของเรามันอยู่ได้นานเนี่ยบางผลิตภัณฑ์ถ้าเราใส่กล้วยหอมสุกลงไปมันก็จะเสียเร็วแต่ถ้าเราใช้เป็นแป้งกล้วยเลยมันก็จะทำให้ยืดอายุการเก็บรักษาได้ได้นานยิ่งขึ้นด้วยอะคะ่ะ เพราะว่ามันก็คือกล้วยเหมือนกันแล้วก็ได้กลิ่นกล้วยด้วยใช่ใช่ใชค่ะอาจารย์คะแล้วที่อาจารย์ได้ทดลองแล้วก็ลองชิมเนี่ยค่ะแล้วกลุ่มทดลองที่มาลองรับประทานผลตอบรับบอกว่ายังไงกันบ้างคะก็ก็ชอบนะคะส่วนใหญ่ก็คือจะเป็นเป็นชอบมากๆเลยก็บอกว่าจะมี จำหน่ายที่ไหนมีอะไรที่ไหนนะค่ะแต่ว่า mm hmm. เรายังไม่ได้ไม่ได้ทําการจําหน่ายแต่ว่าชุมชนที่เราไปไปเผยแพร่ค่ะไม่ว่าจะเป็นเ อ, อโรงเรียนที่เราไปไปให้เขาทํำนะคะที่โรงเรียนวัดโบสถ์หรือว่าที่บ้านแคร์ค่ะที่ทําเป็นทองมวนทองมวนกล้วยหอมอย่างนี้ยค่ะก็ mm hmm. ทําขายแล้วซึ่งก็ก็ขายดีมากแล้วก็ผลตอบรับก็ดีพอสมควร น, นะคะ mm hmm. ตอนนี้ใช้ผลิตภัณฑ์ใ <c oughs> ป้งกล้วยหอมนี้ทํา เป็นเรื่องเป็นราวจําหน่ายจริงๆแล้วเหรอคะอาจารย์ใช่ค่ะใร่อ๋อแล้วอย่างนี้วิธีการในการทําในส่วนของก่อนที่จะมาทําอาหารคะ่ะตอนขันข้นกระบวนการผลิตแป้งนะคะชุมชนทําเองหรือว่าต้องต้องมารับจากอาจารย์หรือว่าต้องมีการอบรมอะไรก่อนไหมคะอ๋อเราก็ลงพอหลังจากที่เราทดลองนะคะทําวิจัยเรียบร้อยแล้วเราก็มีการไปถ่ายทอดก็คือเป็นงานบริการวิชาการของคณะอยู่แล้วนะคะ ก็พอลงไปถ่ายทอดบริการวิชาการเขาก็เอาไปต่อยอดแล้วก็ทําเองได้เลยอืมตอนนี้ก็ผลิตกันอยู่ใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะผลผลตอบรับเป็นยังไงบ้างคะก็ก็ดีนะคะแล้วก็เอ่อบางส่วนบางส่วนก็ทําเป็นแป้งเป็นแป้งกล้วยนะคะแล้วก็ทำหนายิ่งค่ะส่วนใหญ่ผลิตภัณฑ์ที่เขาทํานี่เป็นอะไรบ้างคะเป็นขนมตอนนี้ที่ทํานะคะมีคุกกี้กับทองม้วนเพราะว่าเนื่องจากว่ามันเป็น เขาเรียผลิตภัณฑ์ที่มันเก็บไว้ได้นานนะคะแล้วก็ไม่เสียง่ายเขาก็เลยเลือกที่จะทําเป็นเป็นผลิตภัณฑ์สองตัวนี้ก่อนค่ะค่ะอาจารย์คะออยากให้อาจารย์ย้าอีกครั้งหนึ่งนะคะเกี่ยวกับอ่คุณค่าทางโภชนาการค่ของของเป้งกล้วยหอมเนี่ยค่ะค่ะคุณค่าทางโภชนาการของเต่งกล้วยหอมก็จะมีไฟเบอร์นะคะแล้วก็แมกานีเซียมก็นอกจากนี้ก็ยังมีพวกเอพวกคาร์โบไฮเดรตนะคะที่เป็น กปรคาร์โบไฮเดรตที่ดีนะคะสําหรับของร่างกายนะค่ะแล้วก็วิตามินต่างๆนี้ก็เลยเราก็เลยชูลงให้กับให้กับตัวตั ว, ตวแป้งกล้วยของเรากับไอตัวผรีสแตของเราว่าถ้ากินไปแล้วเก็จะมีพวกพลังงานพวกมันนเชียนแล้วก็พวกเอ่อไฟเบอร์อยู่เยอะอะไรอย่างนี้ยค่ะไฟเบอร์ก็ช่วยทําให้แบบสามารถแบบง่ายยอดง่ายใช่ค่ะ อืมโอ้มีประโยชน์มากๆแล้วก็สามารถทำสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับชาวสวนกล้วยอย่างมากเลยนะคะอาจารย์ใช่ะทีนี้กําลังจะผลักดันให้ต่อยอดไปเป็นผงโรยข้าวผงโร<อ><ล>ยข้าวแบบ้กลวยใช่ค่ะเคยคือเราก็าสามารถที่จะเอาไอ้ตัวแป้งกล้วยอะค่ะไปชงกับกาแฟชงกับนมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนมร้อนกาแฟร้อนแล้วก็ดื่มได้นะคะอีกอย่างหนึ่งก็คือเอาไปโรยกับข้าวสวยของเราอะค่ะแล้วก็ทานไปได้เลย เพราะว่าค <Pop ulation> <expand> co ุณค่าทางโภชนาการมันสูงอย่างที่อาจารย์บอกมีทั้งไฟเบอร์โพแทสเซียมแร่ธาตุและวิตามินต่างๆนำมาเป็นส่วน่อยข้าวก็เออเพิ่มเพิ่มทำให้สุขภาพดียิ่งขึ้นด้วยนะคะทีนี้ในส่วนของการเผยแพร่เนี่ยค่ะในในตอนนี้อาจารย์ก็บอกไว้ในเบื้องต้นแล้วว่าเป็นกลุ่มชุมชนในอ่าอําจังหวัด ในในในจง<ส>ังหรัดอุทัยยาพระนครสิริยาแล้วมีโอกาสที่จะเผยแพร่ไปยงชุมช น, อ, ๆๆนะะอื่นๆไหมคะเพราะว่าอันนี้ถามแทนเพราะว่ากล้วยเนี่ยมีทั่วประเทศเลยค่ะอาจารย์อ๋อค่ะตอนนี้ก็คือเอเราเพิ่งลงไปเผยแพร่ให้กับกลุ่มที่สามโก้นะคะที่จังหวัดอ่างทองอะคะ่ะซึ่งตอนนี้เขาก็ผลิตเริ่มผลิตแล้วเหมือนกันแต่ว่าเร็วๆนี้เองนะคะเพิ่งเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะค่ะ ที่เขาปลูกก้วแป้งแล้วก็ทําเป็นเคสแล้วก็จําหน่ายในชุมชนค่ะค่ะอย่างอย่างถ้าเป็นกล้วยหอมกล้วยนว้าก็ปลูกหลายๆพื้นที่แต่ถ้าเป็นกล้วยไข่นี่จะมีดังๆเลยคือกําแพงเพชรใช่ไหมอาจารย์เรามีติดต่อมาบ้างไหมคะชุมชนหน่งยังยังไม่มีติดต่อมานะคะแต่ว่าที่กําแพงเพชรเนี่ยไปทําเอ่อเรื่องของฟิล์มจากกล้วยไข่ค่ะอืม อวั a b l e f ล์มที่อาจารย์บอกว่าสามารถรับประทานได้เลยค่ะอืมอืมค่ะก็ถือว่าโอ้กเป็นแค่เรื่องกล้วยใช่ไหมคะอาจารย์แต่ไม่กล้วย อ, อีกต่อไปเป็นการไมกล้วยอีกต่อไปนพราวมันทำให้ให้ราคาได้สูงขึ้นจริงๆะคะแต่ว่าทีนี้เกษตรกรต้องเปิดใจยอมรับนิดนึงว่าเอ่อเพราะว่าเราเวลาเราลงไปถ่ายทอดนะคะเขาก็จะบอกว่ามันจะขายได้หรอาอาจารย์ แล้วเราจะตั้งราคาเท่าไหร่ถ้าเราตั้งราคาสูงไปใครจะซื้อเราไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่สุดท้ายก็คือถ้าเขาเปิดใจยอมรับเนี่ยมันมันสามารถที่จะกำไรนในราคาที่มันสูงได้จริงๆค่ะซึ่งก็หลายชุมชนที่ ท, ที่ที่เราไปไปเผยแพร่เขาก็สามารถทาไปต่อยอดได้เยอะแล้วอะค่ะ ตอนนี้ได้าหาว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่อนะคะอยากให้อาจารย์ยกตัวอย่างชุมชนที่นําผลงานวจของอาจารย์เนี่ยไปใช้ประโยชน์แล้วก็สามารถเรียกว่าสร้างมูลค่าให้กับกล้วยอาจารย์พอจะยกตัวอย่างได้ไหมคะว่ามีชุมชนไหนบ้างอะค่ะก็จะมีที่วัดโบสถ์โรงเรียนวัดโบสถ์นะคะที่บางบานค่ะอําเภอบางบานแล้วก็จะมีที่เอบ้านแคร์อำเภอผักไห้นะคะแล้วก็นั่นก็จะมีสามโก้ที่ จังหวัดอ่างทองค่ะอืมค่ะแล้วมีชุมชนอื่นๆตอนนี้มีทยอยติดต่อเข้ามาบ้างไหมคะเออยังนะคะแต่ว่าส่วนใหญ่ก็จะเป็นที่พนครศรียก็มีโทรเข้ามาหาบ้างว่าอาจารย์จะสอนไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าก็กำลังเขาอยากจะให้เหมือนเปิดคอร์สสอนออการทำการทาแป้งกล้วยแล้วก็ผลิตภัณฑ์แปะรูปจากกล้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะ S <S ซึ่งจริงๆแล้วไอ้ตัวผลิตภัณฑ์จากกล้วยเนี่ยเราทํามาเยอะมากนะคะไม่ว่าจะเป็นซอสกล้วยเออ่น้ําต้นใสชูจกกับกล้วยนะคะหรือว่าจะเป็นน้ำนมกล้วยไอศครีมกล้วยนี้เราก็ทํามาแล้วนะคะทีนี้เราก็ก็เลยเอามาลองทําแป้งดูแล้วก็ไปใส่ในผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ, ๆซึ่งมันก็ทําให้เเหมือนเกษตรก ร, รทําแล้วก็เก็บไว้ได้แล้วก็ถึงเวลาเกษตงเอามาใช้ได้ในตอนที่กล้วยมันเยอะๆอย่างนี้ยคะ <S <S ่ะค่ะ เพราะว่าเท่าที่ผ่านมาก็เคยได้ยินเหมือนกันว่าผลิตภัณฑ์จากกล้วยทํามาหลายหลากหลายรูปแบบแต่ความนิยมก็ก็อาจจะต้องต่อสู้ความนิยมกันสักหน่อยนะคะอาจารย์ใช่แต่พอบอกเป็นกล้วยบางทีก็คนชอบทานก็ทานคนไม่ชอบก็อาจจะเมินเฉยไปแต่ถ้าเป็นแ้งกล้วยนี่น่าจะเป็นแนวโน้มที่ดีเนาะก็คือวันไปผสมกับขนมที่เขาชอบกันอยู่แล้วใช่ค่ะตอนนี้เราก็ชูเรื่องของสุขภาพด้วยเพราะว่าเอตอนนี้เราเทรนสุขภาพกําลังมาแรงเนาะ คนก็สนใจเรื่องของอาหารเพื่อสุขภาพอะไรอย่างเนี้ยค่ะเราก็เลยต้องชูเรื่องของคุณค่าทางโภชนาการเรื่องของสุขภาพตามไปแ ล, แล้วแล้วมันดียังไงอะไรอย่างเนี้ยค่ะค่ะอ๋อปังอาจารย์ก็ได้เห็นเรียกว่าได้เห็นมหัสัจจรรั์ของกล้วย สามารถทำได้หลากหลายรูปแบบนะคะก็ขึ้นอยู่ว่าเราจะหยิบจับไปใช้ทำอะไรแล้วก็ในขั้นต่อไปมันมันเห็นทิศทางแล้วล่ะในขั้นต่อไปเราก็ต้องร่วมกันนะคะอาจารย์ร่วมกันส่งเสริมบริโภคสินค้าที่มีในประเทศของเราค่ะซึ่งมันก็ ต่อยอดมาจากผลงานวิจัยนี้เองซึ่งเป็นผลงานวิจัยที่ทำในห้องแล็บแต่ก็สามารถที่จะขยายเผยแพร่ใช้ในเชิงพาณิชย์ได้จริงจรย์ะคะอยากให้อาจารย์เนินย้มอีกครั้งหนึง่งเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ผลงานของอาจารย์การปร ะ, ประดิษฐ์คิดคน้นลนวัตรกรรมแป้งกล้วยหอมรวมถึงความคาดหวังและก็แนวโน้มที่อาจารย์จะต่อยอดผลงานของอาจารย์ด้วยค่ะค่ะก็คืออยากจะให้เหมือนกับว่า เกษตรก ร, ะกรนะคะหันมาหันมาทําตัวแป้งกล้วยเนี่ยเยอะขึ้นนะคะแล้วก็เอาไปทําเป็นผลิตภัณฑ์ที่มันหลากหลายมากยิ่งขึ้นนะคะแล้วก็ไอตัวที่ว่าแป้งกล้วยที่เราทํามาเนี่ยก็คือหลักๆ ก, ก็คืออยากให้เกษตรก ร, เ, กรเนี่ยเออเาไปต่อยอดเพิ่มมูลค่านะคะในตอนที่ว่ากล้วยมันมีราคาที่มันตกต่ําหรือว่ามันล้มตลาดมากเกินไปอย่างเงี้ยคะ่ะแล้วก็ อ, อีก อ, อันนึงก็คืออยากให้เรออืเ่องอะไรอะ่ะกำลังตอนนี้กาลังคิดค้นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากแป้งกล้วยต่อนะคะอาจจะเป็นออลูกอมหรือเปล่าฟิล์มหรือเปล่าอันนี้ยังไม่รู้นะคะแต่ว่าออที่กำลังต่อยอดจะทำต่อไปก็คือผงโรยข้าว mm hmm. จากแป้งกล้วยนะคะ ก็เป็นกําลังใจให้อาจารย์แล้วก็จะติดตามผลงานทุกชิ้นของอาจารย์ที่แปลรูปมาจากกล้วยนะคะอาจารย์นอกจากว่าจะาาทําให้ส่งเสริมพัฒนาการคุณค่าทางอาหารมีขนมหรือของรับประทานที่หลากหลายมากขึ้นแล้วอีกอย่างหนึ่งก็คือเป็นการส่งเสริมมูลค่าเพิ่มให้กับกล้วยให้กับกเกษตรกรในประเทศไทยของเราด้วยต้องขอบคุณอาจารย์รที่คนนวัตกรรมดีๆแบบนี้มาเผยแพร่ในรายการ r m U T Society ในวันนี้ขอบพระคุณมากๆค่ะอาจารย์ ค่ะค่ะค่ะสุดท้ายค่ะฟางอีกนิดนึงค่ะถ้าหากว่าคุณผู้ฟังฟังอยู่อยากจะสอบถามรายละเอียดเชิงลึกหรือว่ากระบวนการขั้นตอนต่างๆในการาผลิตแป้งกล้วยหอมหรือว่ า, ากระบวนการในการที่จะนำแป้งกล้วยหอมมาต่อยอดทำเป็นขนมหรือว่ า, าวิธีการอื่นๆสอบถามเพิ่มเติมจะติดต่อได้ที่ไหนรวมถึงถ้าอยากจะเห็นผลิตภัณฑ์ หรือว่าเห็นรูปด้างหน้าตาของแป้งกล้วยหอมแบบเนี้ค่ะจะติดต่อได้ที่ไหนบ้างอย่างไรค่ะค่ะก็คือติดต่อโดยตรงที่ตัวอาจารย์เองก็ได้นะคะอาจารย์วัชริยาเหลียวตะกูลนะคะเบอร์โทรศัพท์ก็คือ0989060969นะคะหรือว่าติดต่อส่งหนังสือหรือเอกสารขอความคุ้มครอไป มาจากที่มาที่มหาลัยก็ได้นะคะให้เราลงไปช่วยในเรื่องของบริการวิชาการเราก็ยินดีนะคะส่วนไอ้ตัวแป้งกล้วยเนี่ยถ้าสนใจจริงๆก็ติดต่อมาที่ที่อาจารย์ที่อาจารย์มชิรญาเลยก็ได้นะคะค่ะค่ะวันนี้ขอบคุณ อาจารย์อีกครั้งนะคะที่มาร่วมพูดคุยกันในรายการ RNUT Society ในวันนี้เวลาของทางรายการหมดลงแล้วละค่ะก็าหากว่าคุณผู้ฟังมีความสนใจเกี่ยวกับนวัตกรรมแป้งข้อยหอมก็สามารถได้เข้าไปได้นะคะอาจารย์ที่คณะเทคโนโลยีการกเกษตรและอุตสาหกรรมมหาวิายทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสวรรณภูมิหรือติดต่อไปทางหมายด้วโทรศัพท์ที่อาจารย์ให้ไว้สักครู่นี้ก็ได้ค่ะสำหรับวันนี้ขอบคุณอาจารย์อีกครั้งที่มาร่วมพูดคุยกันแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ฟังที่ติดตามเราทั้งสองคน พูดคุยกันเกี่ยวกับนวัตรกรรมแป้งกล้วยหอมด้วยขอบคุณสถานีวิทยศประสายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลือราชมงคลธรรัญบรุรีวันนี้เวลาของทางรายการ r m u t Society หมดลงแล้วถ้าหากว่าคุณผู้ฟังพลาดในช่วงเวลาในการฟังเราทั้งสองคนใน RNUT Society ค่าวันอาทิตย์แบบนี้ก็สามารถติดตามได้นะคะฟังรายการของเราได้ทางแฟนเพจ Facebook วิทยุราชมงคลธรรัญบุรี 89.5 ได้ค่ะ ทางเป็นอีกช่องทางเลือกที่ให้คุณผู้ฟังสามารถเลือกรับฟังในเวลาใดก็ได้นะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะดิฉันคุณกรนิททองเงาพร้อมด้วยอาจารย์วชิรยาเหลียวตระกูลอาจารย์ประจําสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหารคณะเทคโนโลยีการเกษตรและอิทยารกราารมมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิต้องขอลาคุณผู้ฟังไปด้วยเวลาเพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะค่ะรายการ RMUT Society Bye.